นิขมะคาถาจิตของพระขีนาศพ้น้อมไปในเนคขมะน้อมไปในปะวิเวกน้อมไปในความไม่เบียดเบียนน้อมไปในความสิ้นอุปาทานน้อมไปในความสิ้นตัณหาน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะเห็นความเกิด แห่งอายตนะภิกษุผู้มีจิตสงบระงับหลุดพ้นโดยชอบย่อมไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วทั้งไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกภูเขาหินแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะลมฉันใดรูปเสียงกลิ่นรสโพธพิัพและธรรมารมทั้งมวล ทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิถารมณ์ย่อมทําจิตของผู้คงที่ให้หวันไหวไมิได้ฉันนั้นจิตของผู้คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่วันไหวไม่เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์อะไรเพราะท่านผู้คงที่พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้น